บทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเรื่องการโต้แย้งของนางเคาลาบินติซาลบะซึ่งสามีของนางได้ยาจากนางตามประเพณีของชาวยาฮิลยะในการต้องการห้ามพัญญาด้วยการยาโดยเรียกนางว่าเป็นแม่นางได้มาหาทรารอซูลลลอฮสลลัลลอฮวะสัลลัมร้องเรียนความอธรรมของสามีของนางที่มีต่อนางโดยกล่าวว่าโอ้ทรารอซูล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 และนางได้ร้องทุกต่ออัลล์แลลอ้นนั้นทรงได้ยินการตอบโต้ของพวกเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลล์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอัลลัลัลัลัล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 แล้วเราทรงรบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ فمن لم يجد فصيا م شهرين متتابعين من قبل أيت ماس فمن لم يستقِع فئ ق عام ستين مسكينا ذلك ل ت ؤ م ن ا بالله ورسوله وتلك حدود الله ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาท่านได้ก็ต้องถือสิณดสองเดือนติดต่อกันก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องร่วมหลับนอนกันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะถือสินณดได้ก็ต้องให้อาหารแก่คนยากจนจำนวนหกสิบคนทั้งนี้เพื่อจะให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของรู้งนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์และสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธานั้น شرق يقول لغتون جامعة إن الذين ي ح ا د و ن الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبرهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فاجم บรรดาผูต้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของโกรงพวกเขาจะถูกทำให้อับยศเช่นเดียวกับบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกทำให้อับอศยมาก่อนแล้วและแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาจะรับการลงโทษอย่างน่าอัศว์ <S <S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 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا ج ا ء و َ حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقوم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 และพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าทำไมอลัลลอ์จึงไม่ทรงลงโทษ ต, ตามที่เราได้กล่าวทักทายมาูฮัมหมัดนรกนั้นเป็นการทอเพียงแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะถูกให้เข้าไปในนั้นซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิง่ง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 ผู้ซึ่งพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค์นนเปนนจว า, า, นนามนวาานินอิชชิทัลีลลลยะฮซุนัลที่นั่นอเมน و ل น س ب ล ا ر ه م ش อ ئ ا إ ل ล بإبن الله وعلى الله فليتوكر ิ ل م ؤ م ن و ن การซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยตอนเพื่อมันจะก่อความเสียใจ ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาแต่มันจะไม่ให้ร้ายไปอย่างใดแก่พวกเขาเว้แนแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมอบความไว้วางใจยาไอฮัละดีนอามานูอิดากลิละัคุมทับส์ส์ฮูฟิลมาจาลิสทับส์สฮูทับส์สฮูยัส์ส์ฮิลลาห์ละคุม วโอ้ผู้สรัทาทั้งหลายเมื่อมีเสียงกล่าวแต่พวกเจ้าว่าจงขยายวงประชมุมพวกเจ้าก็จงขยายเพราะอัลลอฮฺจะทรงขยายที่ให้กว้างขวางแก่พวกเจ้า ในวันเกียร์มาและเมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ประชุมนั้นพวกเจ้าก็จงลุกยืนเพราะอัลลอฮฺจะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายขั้นและอัลลอฮฺทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 อินนะหุมสาะมากานูยอมลูนอันล่ะสงตรียมการลงโทษอันสาหัตไว้ให้แก่พวกเขาแล้วแถ้าถิงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไปนั้นช่างชั่วช้าจริงๆอิตตกดูเอียมานหุมจุนละนฟะสดดูอันสดีลิลลาฮิฟะละหุมอาดาบมุฮีน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 ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาจะไม่ช่วยให้เขารอดพ้นไปจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ไปได้แต่อย่างใดชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกโดยพวกเขาจะพมนักอยู่ในนั้นตลอดกาล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 เพทราบเกิดว่าแท้จริงพลพรรคของไสตตอนนั้นเป็นผู้ขัดถุนแท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์ลรอซูลของเขาชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่ำต้อยแท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของาชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่ต้อย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 ولو كانوا آ ب ا َ ه م أو أ ب ن ا ء ه م أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. เจ้าจะไม่พบกลุ่มชนใดจะสรัทาต่อหรและวันประโลกจะรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้านหรอและรอศูนของโปร่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขา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 ชนเหล่านั้นคือพลพรรของ อ, อัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงพลพรรของอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ